เกิดขึ้นเช่นการปัดกว่านี่เป็นนิสัยที่เคยทําอย่างนั้นตามใจเจ้อของมาเนื่องมาดูแลเข้ามานี่ ม, า ม, ามันจึงมาขวางเพราะนี้ไม่ได้ตามใจตามธรรมต่าตงทุกสิ่นทุกอย่างที่มานํามาแนะนำสั่งสอนเราเพืนแต่พิจารณาตามเหตุตามผลอัดทำทั้งนั้นไม่ได้เอาปาปาเถื่อนมาสั่งสอนเราเพื่อน รานใครมาให้ดูกันอย่ามาขวางกันเหมือนตาผีขวางหมอเพราะขวางกันนี่มันกระเทือนกันมากทั้งวัดนี่ต่างองค์ต่างมาศึกษาเอลุงแล้วทีนี้สายเดิมที่มันขัดตอนหลับตางบบนไง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 กระแสความรู้แสดงออกมาตัวจริงของความรู้นั้นถูกอิเล็กตรอปนปิดบงังจนมองหาตัวจิตไม่เจอเรายังว่าเราดีอยู่เหลอเมื่อจิตถูกกุ้มห่อด้วยสิ่งสุปกปตกสวมมทั้งหลายแล้วการแสดงออกมาทางกายทางวาจามันจะเอาความสะอาดมาจากไหนเพราะตัวจิตเดิมซึ่งเป็นผู้บงการเป็นธรรมชาติ ที่โซก็ปลุกโรคมิลลงังอยู่แล้วด้วยสิ่งไม่เป็นท่าทั้งหลายเอาเรียนเอาปฏิบตัติตามหลักธรรมของพุทธเจ้าคําพูดนี้จําให้ดีที่ผมพูดมันจะเป็นอย่างนั้นไหมเวลานี้มันมีแต่กิเลสบ่งการทั้งนั้นทำไม่ได้บ่งการในหัวใจเราเราจรึงไม่ทราบว่ากิเลสเป็นอย่างไร ทำไป็น่อจนก ว, ว่าปฏิบัติเข้าโดยลําดับลำดับนี่เลค่อยจางไปจางไปทําแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปนะครนะับจะค่อยรู้เรื่องกันไปรเรื่อยๆนะถ้าหากไม่ได้ไปคุยปฏิบัติกําจัดมันแล้วจนกระทั่งวันตายจะไม่เห็นเรื่องของธรรมเป็นของแบปบประหลาดย่ า, าจิตจันยิ่งกว่าเรื่องของยิ่งเลย ด้วย เ, เหตุนี้เองยิเรศจึงมีอำนาจเป็นฆ้าศึกต่อธรรมด้วยมาเรามาบวชนศาสนานิเลศไม่ได้บวช ด, ด้วยให้ทราบยิเลศคงเป็นกิเลสอยู่โดยดีเป็นตัวข้าศึกต่อธรรมอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่เคยสะทกสทานต่อการบวชถ้าไม่ปฏิบัติถ้าไม่ทําการแก้ไขาถอดถอน ซึ่งเรียกว่ารบกันนั่นหลักิเลสจะไหวตัวถ้ามีการปฏิบัติแทะเข้าตรงไหนกิเลสจะไหวตัวตรงนั้นถ้าจะพูดภาษาของเราเป็นบุคลาทิฏฐานของเรานี่เดเริ่มร้อนตัวขึ้นมาเพราะถูกค่าสึกเข้าจูโจมอยู่ทุกวันทุกเวลาด้วยความเพียนซึ่งเป็นอัดเป็นธรรมอันเป็นเรื่องของี่เดสกลัว กิเลสกลัวทาอย่างเดียวทั้งสามโลกธาตุนี้อิเลสเป็ น, นจ้าอานาทั้งนั้นจึงไม่กลัวอะไรแต่ธรรมนี่เหนือโลกท่านจึงเรียกว่าโลกุตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกี่เลสจริงต้องกลัวถ้ามานำธรรมเข้าไปกาจัดกิเลสจะไม่มีสตุกสถานไม่มีกลัวเลย และมันมีความอิ่มพอที่จะอยู่พายในจิตใจของสัตว์โลกเพราะสัตว์โลกก็ถูกมันกรอมให้หาความอิ่มพอต่อมันไม่ได้เช่นเดียวกันนี่เรากับยิึงเป็นอันเดียวกันเวลาจะทำกิจการใดๆที่เป็นส่วนคุยสนนันก็กระเทืนจิ่งเลกยิ่งเลยขัดขืนไม่อยากทำ เราก็เห็นตามจิเรศทันทีโดยไม่ต้องคิดอ่านแต่ตรองอะไรเลยกระเทือนเหล่านั้นห่วลำบากลำบนจะฝา่าพื้นจิเรศดัดแปลงตนเองให้เป็นคนดีเป็นพระ ด, ดีนั้นก็ถูกขัดขวางจากจิเรศซึ่งเราถือว่าเป็นเรานั้งเสียสุดท้ายก็ไปไม่ได้หนีก็สัมผัส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 พอจะพ่งพาอาศัยให้รับความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจไม่ได้เพราะนั้นทำจเป็นทั้งเครื่องมือสร้างคนให้ดีเป็นทั้งผลคือความสุขในเมื่อสร้างตนได้ดีมากน้อยเพียงใดการจะเป็นคนดีต้องฝืนฝืนต่อสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเคยทำอยู่แล้วและชอบทำอยู่เสมอว่ามีความอิ่มพอ ฝืนตรงนั้นแหละฝืนสิ่งนั้นอยากทำก็ไม่ทำความอยากเป็นเรื่องของค่าสึกอยากในสิ่งที่ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อยากในสิ่งที่จะทำตนให้เสียให้ร้วมจงลงไปโดยลำดั บ, ด บ, ดบนั่นคือเป็นฝ่ายต่ำที่จะฉุดลากเราให้เป็นคนต่ำลงไปชั่วช้าเลยสามลงไปโดยลำดับทีนี้เราฝืน เราไม่ทำนี่คือการป้องกันตัวหรือชุนลากตนออกมาจากสิ่งต่าทั้งหลายไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นจะ ก, กลายเป็นคนต่าลงไปเราก็ต้องฝืนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องของกิเลแล้วต้องทำให้อยากทั้งนั้นเรื่องของธรรมไม่อยากหรือไม่อยากทำเพราะลทิ์ของกิเลสมีมากกว่า เกินกว่าที่จะอยากทำในทางด้านธรรมะต่อเมื่อได้ทําลงไปโดยลําดับด้วยการฝ่าฝืนทางโดยทางเหตุผลต่อสู้กับสิ่งไม่ดีทั้งหลายโดยทางเหตุผลบ้งทั้งที่ไม่อยากทําเราก็ทําไม่ว่าจะหนักเบามากน้อยเพียงไรเราทําโดยทางเหตุผลคือเชื่อทํา พรพุทธเจา้าแล้วฝืนต่อสู้กับพิเลรนุ่ยไปมันก็ค่อยเบาบางความอยากในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายก็ค่อยอ่อนตัวลงเพราะมีการต่อสู้ตั้งทานกันอยู่ทุกเวลามีเวลาสุดท้ายความอยากในฝ่ายต่ําท่านมาก็ค่อยเบาบางลงไปเบาบางลงไปความอยากฝ่ายธรรมก็เริ่มมีกําลังขึ้นมา และเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญธรรมประจากใจมีความเย็นความสงบสุขหรือเย็นใจนี่คือผลเมื่อปรากฏผลขึ้นมามากน้อยย่อมมีแจใจที่จะฝาฝืนบึกบึนหรือประกอบนานที่ดีนั้นให้โดยมากมูลขึ้นโดยลำดับนัดับชวนต่ำฝ่ายต่ำก็อ่อนลงไปอ่อนลงไป ายดีก็มีกําลังมากขึ้นในเบื้องต้นต้องฝึกต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้ความปล่อยตามอาเภอใจอยู่อย่างสบายนอนอย่างสบายกินอย่างสบายอะไรอะไรก็เป็นอย่างสบายสบายล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสบ่งให้ทำงานทั้งนั้นเป็นอาการของกิเลสทำงานเป็นงานของกิเลส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 มีพระพุทธเจ้าสทานั้นที่เป็นผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมจะแสดงวิธีแยกแยะให้รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้ฝ่ายทีเดียรู้ฝ่ายธรรมและสอนวิธีประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแกต่ตนตามขั้นตามภูมิปโดยลาดับจนกระทั่งถึงที่สุดอย่างการสิ้นซากของยีเลสย และที่สุดแห่งธรรมแห่งความประสบ์พึงที่ใจทีนี้กิเลสที่ว่าพุ่มห่อแล้วจนมิตรมองหาจิตไม่เห็นนั้นหายไปหมดเหลือแต่จิตกับธรรมธรรมกรับจิตเป็นอันเดียวกันรหนรวยทีนี้กิเลสประเภทใดแสดงออกจากใครออกจากผู้ใดออกจากสัตว์ตัวใดผู้นั้นจะรู้ทันทีทันทีทันที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 เหมือนจะทําให้คนอื่นคนใดหรือทาด้วยถูอ บ, บับงคับบัญชาผลประโยชน์เป็นของเขาเราทําให้เขาเป็นเครื่องมือเขาหรือเป็นบ่า้าพอเอาค่าจ้างเงินวานให้เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราทำเพื่อเราทําความดีอถือทําเป็นหลักจะเป็นคารวาสเป็นเด็กเป็น หนุ่มเป็นสาเป็นวัยใดก็าตามย่อมสวยงามน่าดูหน้าชมไปตามเพศและวัยนั้นๆเพราะทําไม่เคยทําคนแลสัตว์ให้ลดความน่าดูสวยงามหากว่าความน่าดูสวยงามมีอยู่แต่ความน่าดูสวยงามในรูปร่างลักษณะนั้นไม่สําคัญยิ่งกว่า ความน่าดูสวยงามทางด้านจิตใจและความปรัชญาสายใจกอดที่ได้รับาออการอบรมจากธรรมมากพอถึงควรหรือได้รับการอบรมจากธรรมด้วยดีแล้วนี่เป็นมรารยาทที่ซึ้งมากสวยงามก็งามมากผู้มีธรรมย่อมรักษาตนได้ไปที่ใดมาที่ใดก็ไา้รู้ทั้งผิดทั้งถูก รู้วิธีหลบหลีกปีกตัวอยู่เสมอปลอดภัยไปเรื่อยๆนี่ผู้มีธรรมเป็นนั้นถ้าไม่มีธรรมแล้วไปที่ไหนจมทั้งนั้นอยู่คนเดียวก่ออุตริแต่จะทําผิดอยู่กับมูกับเพื่อนผมมีแต่เพื่อนที่เลวทามชุดลากกันลงไปเพราะว่ามีใครสนใจในธรรมแล้วจะหาคนดีมาจากไหนเมื่อต่างคนไม่สนใจในธรรม สนใจะของต่ําช้าเร็วสามแล้วก็มีแต่ความต่ําช้าเร็วสามเต็มตัวเต็มตั ว, ตวมาบวกกันเข้าจะเป็นกองใหญ่ตัวขนาดไหนถ้าสังคมก็สังคมที่เร็วสามเพื่อนฝูงก็เป็นเพื่อนฝูงที่เร็วสามแล้วเราจะดีเด่นมาจากไหนเมื่อเราก็เป็นคนเช่นนั่นเหมือนกันแล้วมันก็ผิดอะไรกับเขาเขากับเรานี่ความไม่มีธรรมทาคุณให้เสียได้อย่างไร เห็นความมีธรรมมีการดัดแปลงแก้ไขอันไหนไม่ดีคัดออกคัดออกด้วยเหตุด้วยผลของตนยากลำบากขนาดไหนไม่ถือสำคัญเพราะเรามีคุณค่ายิ่งกว่าความยากความลาบากนั้นเป็นในไหนความยากความลำบากในการดัดแปลงแก้ไขตนเองในการฝาาฝืนต่อสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันเป็นคุณค่าสำหรับตัวเรา ไม่ใช่เป็นการทำลายหรือสังหารเราให้ร่มจงทิบหายไปเนี่ยทำไมเราจริงจะไม่พอใจธรรคนเราดีเพราะความประพฤติอัธยาศัยใจคอดีเพราะการอบรมไม่ได้ดีเพราะเนื้อเพราะหนังมางสังเระไม่ได้ดีเพราะรูปร่างกางตัวว่าสวยว่างางนี่ถึงดีอันนี้ดีหลอก นนเท่านั้นไม่ใช่ดีอย่างลึกซื้งไม่ใช่ดีอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่ดีตามคุณเป็นคุณภาพดีด้วยความเสียวฉันพอประพฤติตัวไม่ดีเสียเทนั้นความดีความสวยงามเหล่านี้ก็ล่มเหลวไปหมดไม่มีคุณค่าถ้าประพฤติตัวเป็นคนดีหรือรูปร่างทางตัวจะไม่เป็นคนสวยสวยงามแต่คุณธรรม ของปู่นั้นมีอยู่แล้วเป็นคนดีอยู่ในตัวมีดีไม่ลดละดีอย่างนี้ใครจะมาคบค่าสมาคมก็ทําให้สนิทติดใจไม่มีการตีจน่าถ้าทำมีอยู่ที่ไหนตั้งเป็นเหมือนแม่เลยเป็นเครื่องดึงดูลความดีทั้งหลายคนดีทั้งหลายเข้ามาได้คบค้าสมาคมกับใครเขาก็ไม่ เดียดชันกาไม่อินหนาละอาใจเพราะความดีของเราทํามจึงเคยสร้างคนให้เป็นคนดีมานับกับนับกันไม่ได้แล้วคนละดีด้วยด้วยธรรมด้วยความกับพุทธปฏิบัติสัตว์ทั้งหลายดีด้วยเนื้อด้วยหนังมีคุณค่าราคาด้วยเยนื้าหนังของมันง่ายมายุ่งกันดีแล้จริง แต่อวอคยินกว่าเลี้ยงลูกปลูกโพนะคำามาเลี้ยงลูกก็คือบำรุงรักษาความรับผิดชอบเต็มตัวทั้งพ่อทั้งแม่ยาตบงมนีเรียกว่าเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมาปลูกโพคำว่าโพโพนะโพธิแปลว่าความเฉลียวฉลาดนี่สอนปัญยามมรยา ส่งเข้าโรงริ่มโรงเรียนมีกระส่งไปเมืองนอกก็เพื่ออนาคตของลูกมีเท่าไรก็ทุ่มลงไปทุ่มลงไปเพื่อให้ลูกไปศึกษาเรียนเต็มเม็ดจ ต, ต, ต็หน่วยอนาคตจะได้มีความแน่นหนามัน่นคงขนาดนั้นนะพ่อแม่ของคนมีลาบวชแล้วก็พ่อแม่ก็ดีอกดีใจเพราะก้อนเลือดทั้งก้อนนี้ได้เลี้ยงดูมาตั้งแต่วัน อยู่ในท้องด้วยซ้ำจนกระทั่งบังงดยากขนาดไหนแล้วได้เนื้อก้อนนี้คือเราทั้งคนมีเข้ามาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการบวชการประพฤติปฏิบัติอัดถังอันเป็นความถูกต้องดีงามอย่างยิ่งแล้วจึเงเป็นที่ยินดีแก่บิดามาราทั้งหลายความยิดีของพ่อของแม่ ที่มีต่อเราความปีติทุกด้านความสุขที่มีต่อลูกก็มีวันที่บวชกับเวลาที่ลูกแระพฤติปฏิบัติตัวเกี่ยวกับความเป็นเพศนักบวชแล้วนี่แหละพ่อแม่มีความภาคภูมิใจใ่หวังเอาอะไรจากเราเนี่ยหวังจะให้ลูกมีความเป็นคนดีนี่สำคัญมากอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้ลูกมีความเฉลียวฉลาดมีความรู้วิชา มีหน้าที่การงานสะดวกสบายฐานะจะมีความมั่นคงขึ้นในอนาคตเป็นผู้มีหลักฐานมั่นคงขึ้นไปด้ย น, นี่เป็นความมุ่งหมายของพ่อแม่ส่วนที่จะตอบแทนบุญแทนคุณพ่อแม่ด้วยสมบัติเงินทองนั้นส่วนมากพ่อแม่ไม่ค่อยสนใจยิ่งกว่าลูกเป็นคนดีเหล่าใหญ่ตรงพยายาม เวลาจำเป็นได้สือออกไปก็ให้นำหลักธรรมไป ป, ปฏิบัติตนเองอะไรตัวไานต<ม>ัวไเรื่องนึ้งตัวคอยิดองจุดตัวแล้วกออ็ยางยิงคอยต้งจิตจิตนั่น เ, เองจิตนั้นตัวขนองที่สุดมิตเปนทุกอย่ทุกมูนหาเรื่องเวลา สงบไม่ได้ทั้งท่านที่ภาวนาอยู่มันก็บุกออกมาต่อหน้าต่อตาหายไปต่อหน้าต่อตาไปเอาไฟมาเผาเราจนได้ทั้งทั้งที่เรากําลังนั่งภาวนาว่าจะทําจิตให้สงบปราบความพุ่งซ่านนันเป็นเรื่องของจิตนั่นให้สงบลงไปมันก็พุ่งไปจนได้เมื่อที่ว่าภาวนามันไม่เป็นไป ท่านไม่เคลื่อแข็งภายในใจกำลังใจมีน้อยความโลดหลอะเหละมีมากหลักลอยงที่สั่งอะไรอะไรกระหมูของเพื่อนี้มันหากเป็นในนิสัยของผมเองเพราะเราเป็นหัวหน้าสร้างอะไรใครตรงไหนต้องจับไว้จับไว้จับว้เพราะเราเป็นคสอนก็แสดงหลักลอยให้เห็นชัด บอกกันหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งบอกกันหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งไม่ต้องติดสินนั่นจำหยาบมันมันเคลื่อนไม่เห็นต่อหน้าต่อตาจอพูดอะไรถึงเรื่งความละเอียดจะสามารถทําให้ได้ให้เป็นได้ยังไงเนีย่ยที่ทําให้อ่อนใจนะของว่าจารเป็นผู้สั่งเองมันเครื่อนข้ามได้ นี่เคยเป็นผู้น้อยมาแล้วจริงจังทุกอย่างพิ่งเรามาเห็นความเลวไหลยิ่งทำให้เกิดความวิตนาและอาจียยิ่งภานาไม่ได้เรื่องใาๆอีกด้วยเพราะยิ่งทำให้คิดเข้าไปมากมายทำทุกวันทำไมจิตมันไม่เปลี่ยนไปถ้าจะมีหนักมีเบากันบ้างมันควรจะเห็นเหตุเห็นผลกันในวันใดวาละหนึ่งได้ แน่นอนเพราะความฟุ้งซ่านเราก็เคยฟุ้งซ่านฟุง้งซะานจนหาขอบเขดเหตุผลไม่ได้เป็นฟืนเป็นไฟหมดทั้งดวงในใจเพราะอำนาจของจิตเด็เผามันก็เป็นมาแล้วเวลาฟัดกันด้วยความเพียรเอาเต็มอย่างเต็มเหนียวจ น, นความฟุ้งซ่านมันหมอบพลาพลงไปอยู่กับความสงบ แล้วก็เห็นแล้วนี่คุณค่าขอางความเพีย่ยนคุณค่าขอางความเอาจริงออกจังความมอาเป็นเตายต่อสู้กันมันก็เห็น <c oughs> แต่ทำไมหมู่เพื่อน พ, พูดปฏิบัติมันจึงไม่ปรากฏอย่างนั้นแสดงว่าความจริงจังมันไม่มีทำอะไรก็คัวแตจะกระเทือนจิเล่กลัวอะกระเทือนจิเล่พอจิเล่เหยียบหัวเราไม่ไม่คิดว่า นี่ที่จังมันไม่ทันคนมายาังีิเลสแล้วจะให้เกิดความสงบเย็นใจมีความเมสลียวลาดได้อย่างไรการพิจารณาก็คืออธิบายให้สั่งแล้วการเยียกธาตุแยกขันทําจริมทําจังบังคับจิตเหมือนกับนักโทษเพราะเวลานี้จิตกําลังเป็นนักโทษอยู่แล้วน้อยบางคับทําเข้าสู่กรอบสู่มุมอันถูกต้องหรือไม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 ทาหนึ่งแบบทำตามสบา ย, บายวเท่านั้นนะมในเรื่องนะพอต่อไปกิบมันก็แหวกแนวยิ่งกลายเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของยิ่งปลายใหญ่หยุดท้าจะไม่ฟังครูฟังอาจารย์ฟังแต่ขี้นตรนที่มันเต็มไปด้วยสิ่งหย บ, บท้าลามงว่าปลายใหญ่หระวัง มาศึกษาวลุงไม่ตั้งใจใเวลาพิสสาวลุงจะตั้งใจใเวลาไหนวันนี้เราพยายามที่สุดกำหมุกเพื่อนไม่อมไม่ให้มีการมีงานอย่างนี้นมีแต่การภาวนามีมากมีน้อยแค่ต่างคนต่างอยู่หาความสงบเย็นใจสําหรับตัวเองมีตั้งแต่ฝึกทรมานจิตใจอยู่ตลอดเวลาทั้งเท้าสายบ่ายเย็นอิริ บ, บทต่างๆเว้นแต่หลับเท่านั้นถือว่างานภาวนางาน สอดส่องมองดูความคิดความเคลื่อนไหวของใจนี้เป็นงานสำคัญ่าย น, นตัวอยู่โดยสมังจะเหมือนทำไมมันจะหาผลคือความสงบต้มเย็นเป็นอย่างน้อยไม่ได้แล้ที่ปัญญาถ้าเอากันจริงจังมันเกิดได้ยังไมัมนเกิดไม่ได้เหรอไม่ในเรื่องเลยเ เดี๋ยวก็ทะเลจะไหลไปนอกลูก่นอกทางไปเพราะทาความเพียรไม่ในเรื่อยในราวอะไที่นี่ก็ทะเลจะลหลไปข้างนอกมันจะเอาเรื่องราวมาจากไหนถ้าลงไปข้างนอกแล้วมันก็คือจะคอยขึ้นเขียงเท่านั้นถ้าเป็นจัดมันปัดจะจาบเจ้าของแล้วเขาจะจับเอาขึ้นเสียงเมื่ อ, อไรก็ได้ในจิตถ้าขาดความสนใจขาดความเคารพนับถือในครูในอาจารย์ขาดความดื่มดื่มขาดความมุ่งมั่นในะอดธรรมแล้วมันจะต้องเปลี่ยนตัวไปทันที เพราะิดอยู่เฉยๆไม่ได้ปล่อยอันนี้ต้องจับนั้นปล่อยนั้นต้องจับนั้นปล่อยจากดียิงจับติดชั่วทันทีเพราะชั่วมันเคยติดกันมาอยู่แล้วแต่ให้ในหลกักตะเจนเวลาอยู่ครูบาอาจารย์ในลาอายุปรญญาอย่า ง, น, งน้อยๆใหมันได้เลยทําไม่ได้ในระยะนี้ลหมากยิ่งไปเป็นครูเป็นอาจารข์เขา้งทั้งที่หาความรู้ไม่ได้นั่นแหละตัวจม มีแตะชื่อจะเสียงลั่นฟ้านแต่คุณสมบัตินิดหนึ่งจะติดใจติดตัวไม่มเนี่ยไม่เป็นท่านั่นก็ทะเลจะแล้วไปนอกรูนอ ก, ก, นอกทางสร้างนั่นสร้างนีนงน่เอาแล้วหน้าทิ่หากเาไปหล่ะที่นไม่ขันไม่เลยทำก็อยู่ไม่ได้ลำคาญ ต้องทำแล้วเป็นการเพิ่มนํำพานก็ไปอีกก็ไม่ได้คิดสุ้าจะเอาการเอางานเป็นเพื่อนเป็นฝูงเอาญาติเอาโยมเป็นเพื่อนเป็นฝูงการติดต่อสมาคมกับญาติกับโยมเกี่ยวกับเงินกับทองรายได้รายรวยเป็นเพื่อนเป็นฝูงไปล่ะนี่อัดทาเลยไม่มีจะเอาอัดเอาทําเป็นเพื่อนเป็นฝูงเลยไม่สนใจแสดงเลยกลายเป็นเอาโลกเป็นเพื่อนเป็นฝูงมันเลยโลกไปอีกทีหนี่ ความไม่ตัง้งมั่ใจถ้ามันค่อยไหลลงมันไหลลงไปอย่างนั้นนะก็เห็นอยู่ได้ทัดๆเต็มแผ่นดินไปพระเรานอกปฏิบัติเราเป็นอย่างว่านะมันมีน้อยเ ม, มืเ่อไหร่มีแ่เรืวิตกวิจารกับหมู่เพื่อนหมู่คณะ อะไรผมก็เทศใด้ฟังหมดไม่มีปิบดบังนีครับมอดผมนะฝ่ายเหตุได้ดำเนินมายัางไงก็ลากออกหมดตับหมดปอดหมดตลอดถึงผลเป็นยังไงไม่ก็ลากออกมาหมดที่กล่าวมาทั้งหมดมันมันไม่ควรจัเป็นคติแต่การอาู้สกปฏิบัติของเราพอที่จะเป็นกำลังใจให้เราได้บ้างหรื อ, อยังไง มันทิ้เรีวไหลๆผิดใจหาหลักหาฐานไม่ได้ถ้าใจหาความสงบไม่ได้ในวงปฏิบัตินักพระพระเราภาพปฏิบัติเราน่าจะเข้าใจว่าไปหาความถุกได้ยิด ต, ตัวเป็นไฟถ้าไม่สงบก็ต้องเป็นไฟถ้าสงบแล้วก็สบายเพียงขั้นสงบเท่านั้นก็สบาย ทำมาสงบแล้วใหม่สายแส้เร่ร่อนไม่มีอะไรอีกลีงร้อยตัวนี่ตามไม่ทันความรวดเร็วของกิตยิ่งกว่า ล, ลมมงีงนี่มันโดดกิ่นนั่นกลิ่นนี้ไปเจอผ ล, ลไม้ในอิมน่มหนำตำรานในป่าในท้องของมันให้เลีงตัวคิดตัวปุงนี่ดดไปกินไหนมีแต่พืนแต่ไฟมีแต่ไม้ผุพาให้หงายตือหงายตืนไป เราเนีมีเห็นโทษของความคิดของเราเราเสียดายอะความคิดในโลกนี้เคยคิดมาจากั้งสวรรค์เกิดจนมาทั้งหมบนี้เราเสียดายอารมณ์แห่งความคิดนั้นอะไรนักหนาเราจะภาวนาทําไมเราตัดอารมณ์ที่เคยคิดเคยปรุงอัญหาสาระแฝงสารนั้นไม่ได้อารมณ์ของธรรมเป็นของที่วิเศษวิโสยิ่งกว่าอารมณ์ทั้งหลายที่เคยคิดมา ทุกก็ยามทุกที่เราเป็นนักโรกเป็นลูกศิษยาโคนซึ่งไม่เคยแสดงไว้ที่ไหนว่าพรูเจ้าเป็นผู้อ่อนแอค้อยตามีิเดตันหาอสวะรคจนได้ความวิเศษวิโสขึปป้นมาเป็นศาสตราสองโลกเมื่อเราไม่เคยเห็นมีแต่ความฝ่าฝืนบึกบืนต่อสู้กันจนกระทั่งสลบสลาลีนั่นจึงได้ชัยชนะ จะเป็นศาสดาขึ้นมาด้วยความเป็นนักต่อสู้นะไม่ใช่เป็นนักถอยกลูดูดกินแล้วนอนก่อนแล้วหมิ่นมันเกิดประโยชน์อะไรเราก็เคยนอนมาแล้วแล้วได้มาแล้วนักหนานอนมา จ, จนหลังแบนเกิดมาก็นอนอยู่แล้วเรื่อยมาความภาคเพีเยรที่จะเป็นศาสตร์อันสําคัญต้องขัน เป็นเครื่องประดับปิดใจส่งเสริมปิดใจรับความสุขความมุ่ใจยิ่งกับความสุขที่เคยผ่านมาตามโลกตามสารไปไหน ท, ไทําไมจึงไม่เห็นคุณค่าของส่วนนี้นักปฏิบัติต้องคิดต้องเทียบเคียงหาเหตุหาผลเพื่อเอาตัวรอดเองไม่งั้นจะปฏิบัติเพื่อความฉลาดได้ยังไงเอาพระเจ้าไม่ใช่คนโง่สอนไว้ทุกนี่ทุกมุมด้วย้วแต่เพืความฉลาดเท่านั้นสอนให้ฉลาดไม่สอนใหน้โง่ มันต้องเอาอจิ้มเอาจับมังคับที่จิตมังคับจิตไม่ได้ไม่มีทางเพราะตัวเสนียดจันลามันอยู่ในกิตมังคับกันลงที่กันเบาบางก็บาบางลงที่กันจิดมีความเบาบางจากถิ่นไม่ดีทั้งหลายมันก็เหมือนกับโรคที่เบาบาง ทุเราลงไปโดยลําดับลาดับลาดั บ, ด บ, ด บ, ดบยามันเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งโรคหายความทุกข์เพราะโรค น, นั้นมันก็หมดไปเพราะทุกข์เพราะกิเลสประเภทใดโรคคือกิเลสประเภทใดมันเสียดแทงคำ ว, ว่าโรคต้องเสียดแทงทั้งนั้นแหละกิเลสไม่เคยให้คนที่เสศษวิสโส อ, อะไรได้ โดยหลักธรรมชาตินอกจากเศษสันต์ตั้นยอกันเฉยๆว่าวิเศษอย่างนั้นวิโสอย่างนี้ว่ามันไปตามรวมๆแรงๆความจริงมันไม่เป็ น, นวิเศษมีแต่ความเผาผลาญทั้งนั้นทำไม่มีคําว่าเผาผลาญมีมากมีน้อยเป็นที่ก็หิ้มในจิตพอใจพอใจโดยอธรรมแล้เพราะฉะนั้นยังมีผู้บริสุทธิ์ในโลก เพราะรถของธรรมชนะสมรสทั้งหลายดังที่ดังกล่าวสพัพพะสร้างธ ร, รมาโซชินาติรถแห่งธรรมชนะสมรสทั้งปวงฟังดีว่าทั้งปวงพอรถแห่งธรรมประเภทนี้เกิดขึ้นรถของสิ่งที่เราติดเคยติดมาในส่วนขนาดนี้ปล่อยแล้วรถอันนี้เหนือกว่า น, นี้ ปล่อยรถอันนี้รถของทําเหนือกว่ารถประเภทนั้นปล่อยประเภทนั้นปล่อยประเภทนั้นปล่อยเรื่อยโลกามีภา ย, ายจในจิตใจปล่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดไม่มีเหลืออะไรที่เคยติดพันในโลกในงูสารทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดอันเป็นสมมุติด้วยกันละหมดเพราะว่ามีอะไรเลิอดยิ่งกว่ารถของธรรม ถึงนกายเป็นความพอตัวมีมากที่อยู่นี่อะไรๆก็เป็นท่าเป็นทางทำอะไรให้มีความเจาะจงยาศักดิ์เว่าธรรมนิอันนั้นเป็นนิสัยของโลกของสงสารนิสัยของคารวะที่เขาไม่เคยอบรมศรีลทมนิสัยของค้าต้อง ต่างกันกับนิสัยของโลกมากทีเดียวกิจกางการทำทุกสิ่งทุกอย่างความเคลื่อนไหวไปมาของจิตต้องเป็นอัดเป็นทำมีสติสตางมีปัญญาพิจารณาสอบสอบทางเหตุผลการจะทำอะไรลงไปใ ห, ให้มีความจงใจจิตสติดิบแนดอยู่กับงานของตอนที่ทำเรื่องของพระเป็นอย่างนั้น งั้จะหาทางออกไมได้นะมันไหนก็วันเก่าวันะหนกวันเก่ามันก็วันเก่าที่พอมีแต่มึดกับแย่งเท่านั้นถ้าเราไม่แก้ของเราให้ดีขึ้นมันมันไม่มีอะไรจะพาให้ดีในโลกนี้ตอนคืนปีเดือนมันเป็นสมมุติประเภทหนึ่งอยู่ตามธรรมชาติของเขาเราเอาไปสมมติเขาแต่เจ้ากองรับเหมาทุกมันคือหัวใจคนมีเราจะมาแก้ ความรับเหมานั้นทำให้พี่คลายออกไปจากจิตใจพอจะลืมหูลืมตาดูทุกสิ่งทุกอย่างได้สะดวกสบายและแม้อยู่ในท่ามกลางแห่งโลกที่เต็มไปด้วยความรุ่มร้อนเราก็หาความรุ่มร้อนไม่ได้เพราะไม่มีเชื่อแห่งความรุ่มร้อนอยู่ภายในจิตเย็นไปตลอดร่างกายจะเจ็บไครได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนที่ไหนเป็นไหมที่ร่างกาย ก, ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็น เดือนเป็นรังของโรกเนี่ยมันเจ็ดที่ตรงไหนก็จะไปอยู่จะไปคล้องตปแยะกับมันถ้ามันเกิดความทุกข์ความลำบากเลยอย่างที่บ้านของเรามันรั่วตรงนั้นก็จะไปยูอยู่ยียู่ที่มันรั่วที่มันดีมีอยู่เยอะก็อยู่ที่มันดีอยงนั้นก็รั่วตรงนี้ก็รั่วตรงไหนไม่รั่วกขาอยู่ที่นั่นมันรั่วหมดเหรอมันรั่วหมดทิ้งมันเดีถอะ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 ถาความรู้ลอกของตนแล้วจะตื่นไปไหนตนนั้นเจ็บก็เจ็บที่ไม่เจ็บมีอยู่ที่ดีมีอยู่จิตใจไม่เจ็บจิตใจไม่ปวดจิตใจไม่หลงไม่งมงายจิตใจไม่ติดไม่พัวไม่ผ่านมันก็ทุกข์อันนั้นก็ไม่เพิ่มความรุนแรงขึ้นจะเป็นตามสภาพของเขาเพราะใจไม่ไปเสริมทุกขทางใจก็ไม่มีนะคมัน ทนไม่ไหวแล้วธาตุนี้มันจะไปแล้วแหละมันจะแตกเอาแต่ก็แตกที่แต่สิ่งอื่นมันก็แตกได้เหมือนกันทําไมธาตุนี้ก็อยู่ในโลกห่งความแตกดับเหมือนกันมันจะอยู่คําฟ้าได้ไหมยาวยารักษามันไม่ไหวแล้วก็ปล่อยมันไปใจของเราไม่ได้แตกมันแตกแต่ภาตุแต่ขันต่า ง, งหามันแน่อยู่ในใจอมันแล้วจะไปวันไหวกับอะไรนี่คือความเรียนโลกทำความเข้าใจอย่างนี้นเรียนให้ถึงโลกถึงธรรมแล้ว ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นวิตกวิจาร์ก็เรื่องการเป็นการตายอะไรมันเป็นอะไรมันตายก็รู้หมดแล้วจะมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันเคยเป็นมาแล้วตั้งแต่การไหนกันไหนวิจางเราเมื่อฉลาดลอกตัวแล้วก็จะไปหลงอะไรกับสิ่งเหล่า น, นี้ไปก่อทุกข์เยตนเพราะเรื่องหลไรนั้นทำไมการปฏิบัติ สมัยไหนทมผู้ยาอสอนคนให้งมงไม่มีย่อสอนให้ฉลาด ก, การปฏิบัติตัวให้ดีไม่ว่าสมัยไหนดีทั้งนั้นไมไ่ขึ้นอยู่ออกับการกับสถานที่แต่มันขึ้นอยู่ออกับการกับทรรมของคนเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเองไม่กี่พบกี่ชาติเกิดเจ็บเตายก็ใครจะเป็นผู้ไปแบกไปหามในเรื่องกองทุกข์ซึ่งเป็นติดไปกับพพกับชาตนั้นเราเอง ทุกเวลาประกอบความภาคเพียรเพื่อจะสลัดปัดทิ้งสาเหตแห่งทุกและทุกขทั้งหลายออกทําไมจะทําไม่ได้เราเป็นผู้เหมาะสมแล้วกับงานหนวงนเพศอํานวยอยู่แล้วเต็มร้อยเปอเซ็นเพศพระไม่มีคารุบวนเพศนี้เป็นเพศที่เย็นเป็นเพศที่สะดวกสบายแต่เรามันลืมตนสะดวกสบายจนนอนใจใกลายเป็นหมูไปนี่เรียกว่านอนหลับทับศีก สิทธิที่ควรได้ควรเป็นจากงานของต น, นก็ไม่ทำสิทธิที่เป็นพระเขาไม่รบควรทางบ้านเมืองเข า, า ง, งานยุ่งเหมือนโลกทั้งหลายอยู่สะดวกสบายอาหารการมือโภคกินสมบัติไปก็เต็มบาทมาอายินดีทั้งนั้นอยากบุญให้ทานขาดตกบกพร่องที่ตรงไหนงานของเราที่จะทำให้เป็น สาระสำคัญในตัวของเราเอางที่มันขาดมันขาดอยู่ที่ตรงนี้จะทําให้มันสมบูรณ์ด้เครื่องสนับสนุนเพื่อ ง, งานแบบนี้คือปัจจัยทั้งสี่มันก็มีสมบูรณ์อยู่แล้วมีแต่ผู้ดาเนินงานนี่มันบกพรองตัวเองผลของงานของตัวเองทึ่ควรจะได้จะถึงมันจริงไม่ปรากฏแต่าภาพไม่สามารถจะสมกับผลนิพพานได้ก่อนอื่นก่อนใครแล้วใครละ่ะ เพราะทานนี้ออกแนวโรบแล้วพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องแล้วมีความกังวลดุ้งเยิงวุ่นวายกับความเป็นอยู่ปูวายที่อยู่เทียร์ใช้ปัจจัยสัญชาติแม่สอยการนับทานหรือการกุศลฉันเต็มไปหมดนี่แต่งานที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนางานต่อสู้กับกิเลสอันเป็นตัวภัยต่อจิตใจตัวเราตทำไมเราจะทำไม่ได้งานอันเดียวเท่านี้ ไม่ได้มากมายอเลยอยู่กับตัวของเราทํามีมากก็เต็มตัวนี้เท่านั้นไม่เลยตัวไปว่าฟันจะลงไป เ, เราอยากได้ยินได้เห็นหมู่เพื่อนมันพูดอักพูดทมให้ฟังการพูดปฏิบัติผลมันเป็นยังไงยังไสอนสอนแทบล้มแทบตายเกือบสามสิบปีแลแ้วแกออกมาสังคมแต่ ก, ก่อนคยอยู่ในป่าใวเขากมยุ่งไกับใคร สอนตนอยู่ในป่านในเขาไม่อะไรหละสอนตนทรมานตนคำว่าสอนตนทรมานตนก็คือการต่อฟู้ที่เร็ดทั้งนั้นเอาให้จริงให้จัง มันเห็นใจกับที่เหลี่ยสขาดสะ บ, บั้นออกจากกันแล้วมันเปลียนเป็นยังไงมันวิเสศษด้วงมีนวิเศษไม่ต้องมีใครมาเสศษสันรู้ประจักษเดียวเอาที่นี้ยกมาสามโลกธาตุจะจะมาหลอกมาลวงมาอะไรก็ตามจะไม่มีวันแม่แม่เท่าเม่ทรายเลยนั่นนหะคือความจริงลบไม่สูงอย่างนี้เราอยู่ยกับความหลอกลวงเท่านั้นตัวเรานั้นแหลยใจเราน่นะมันหลอกเรื่ของ นลอกมาเทลายมันก็ไม่เคยเจ็ดหลักก็คือกิเลสหลอกตัดโลกนั่นเองจะคืออะไรเราก็ว่าปัญญาของเราหีหลอกอกิเลสมังดิหลอกจนมันเผอที น, ตทนตีต่อยเอาเผอทีนีต่อยเอาต่อยเอาจนมันถูกนอก ตกเวทีเดินไปหาวันพื้นไม่ได้สะกดอานันตธธการนี่อย่านนั่นะแ ะ, ะพระพุทธเจ้ารัศมีพระมหา ท, ท่านหลอกท่านต่อยไ้่เอาอย่างนั้นพอจนตกเวทีไม่มีวันพื้นพอเกิดแก่เกิดตายที่ไหนก็เพราะกิเลสเป็นตัวนี้อตัวนี้มันหมดไปจากใจซะเท่า น, นั้นมันไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้แผ่นดินแผ่นฟ้าอะไรที่ว่ามีมากมายกากกองในแผ่นดินนี้ในโลก มันก็ไม่มีในความรู้สึกมันจึงเหมือนอะไรไม่มีที่มันพาให้มีก็คือเรื่องของทิเดศเท่านั้นพาให้มีพายทุกพายลําบากพาข้องบนบุ่นวายเสียบแทงมีตลอดเวลาไม่มีอยาบทดังนอกจากเวลาหลับชนิดเสียเท่านั้นทิเดศก็สงบตัวในขณะเขาตื่นขึ้นมามันก็ทํางานขึ้นมาเหมือนหอกเหมือนเหลาที่มแทงในหัวใจทั้งอดีตอนาคตอารมณ์อะไรอะไรยุ่งไปหมด เราก็ยังไม่เบื่อหน่ายอิ่มพอกับความเป็นของกิเลสแล้วเราจะไปเห็นโทษกิเลสที่ตรงไหนแกจกิเลสได้ที่ตรงไหนสิ่งเหล่นี้เป็นกิเลสทั้งมวลเรายังไม่ทราบรอยู่แล้ ว, วที่สติปัญญาอยากเห็นผลของการแนะนำของสองมือที่สอนมา น, นี้สอนด้วยความแน่ใจไม่ได้สอนด้ว ย, ก า, ว ย, ว ย, วยการด้นเดาเกาหมั ไม่ใช่เราคุยแล้วสอนจริงๆตามได้พูดปฏิบัติตลอดถึงผลรู้ยังไงเห็นยังไงนํามาพูดทั้งหมดฟังทั้งโดยไม่สะทกสถานถ้ามันจริงนี่สะทกสะท้านอะไรมันเป็นอย่างนี้จริงรู้อย่างนี้อย่างนี้เห็นอย่างนี้จริงจริงจะไปเท่านกับใครอ่านี่เรียกว่าของจริงแล้วไม่สูงใครรู้ขึ้นก็ริงทั้งนั้น เป็นพระที่ทรงมักทรงผลพระของพระเจา้าเป็นพระสมงมุกมักสมผลทรงความสุ ข, ขงสงความเจริญพระของเราทรงเป็นตัวความทุกข์ความบากความที่เกลียดชังคลานอ่อนแอข้อแท้เหลวไหลเนี่ยมันกโกนข้างกองข้า ง, ง, างพระอะไระพระพุทธเจ้าเป็นพระอย่างนั้นนี่เราเป็นพระของไทยจึงเป็นอย่างนี้ ถ้ามันจะเป็นพระของระเทวทัตคอยทําลายตัวเองพุทธะพุทธะคือใจของเราเนี่ยถูกเทวทัตมันทําลายอย่างนี้เนี่ยเทวธธทัตทําลายพุทธะส่วนเทวทัตของวิกับเกี่ยววิเจ้านั้นยกให้เป็นเรื่องของท่านได้หนึ่งแยกเข้ามาลงเทวทัตคือกิเลสทั้งหลายมันเ้ามาทําลายพุทธะของเราจรางมันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วไม่เห็นเทวทัตตรงนี้เรา ปราบเทวทัตได้ไหมเอาตรงนี้เลยโอปัญยิ่โกนน้ำเข้ามาเป็นธรรมเครื่องสอนตรงได้ทั้งนั้น น, นะต่อไปให้ท่านปัญญาที่บาสนี่เรื่องของโลกเขาก็เป็นแบบแล้วเราทำเอามันง่ายเดี๋ย ว, ยวสบายไม่ยุ่ง เอาหนีเอาไม่ฟานก็หนีวะทุกขันทุกยุคก็การขาดที่เหลืนี่เลยย่าไปทุกข์กับสิ่งมือนั้นสำหรับพรเล่านะให้พระกัจนะกนนํานะทุกข์ไปในฟาดลงไปเถิดบ่อนั่นนั่นแล้วไม่มีเศษย่อนตรงนั่นนะ่ะนะทุกข์กับสิ่งอย่างที่ว่าเหล่านั้นนอกนานโยทุกหาเรื่องสิงตัวเองไม่ได้เรื่องเลยลาวเลยทุกข์แบบพระพุทธเจ้าเลยเอาห้ามหันกันลงไปตรงนี้มันเป็นยังไง หมางสติปัญญามีอะไรทุ่มลงไปทุ่มไปซากมันลงไปก็ี่เดียมันสู้แล้วม่ได้มันก็พังพังเอามันถึงนี่แล้วตอนกุศลธรรมะกุศลธรรมะลําบากเลยกุศลธรรมะแปลว่าอะไรแปลว่าทำอย่างคนให้ฉลาดปฏิบัติตัวมันฉลาดมันทันวิเดีนี่เมื่อมันทันแล้วกุศลธรรมะบุญธรรมะมีบาเราไม่ได้ประมาททากุฏิเข้าว ที่พูดนี้ก็คือทำบุญเจ้าให้ฆ่าตัวนี้นี่ไมันจะทำบุญเย้าเป็นอะไรตัวสำคัญตรงนี้กุศลธรรมก็เพื่อมาฆ่าตรงนี้ฆ่าตรงนี้ตายแล้วกุศลธรรมมาที่มาสวดท่านนั้นเกิดประโยชน์อะไรใครใคก็ไม่เห็นสนใจฟังจะสวดเพื่ออะไรสวดตรงนี้ที่สวดตรงมันจะได้เห็นเห็นผลกันอยู่นี่สวดตรงกิเลสจะพังทลายเพราะกุศลานี่สิกุศลธรรมมากุศลปัญญาเนี่ย งานที่มันขวางทั่วประเทศไทยก็คืองานของเรานะี่ยเราทําแบบนี้เลยไม่ได้สนใจกับใครเอาทําเป็นเส น, นังกรามีล้พอแล้วม่ได้เอาว่าชาวโลกสองสารเสนาญกระามีนวะใครจะว่าอะไรก็เฉยเหมือนหูหนวกตาบอดแล้วไม่ได้สนใจกับคําพูดของคนลมปากใครพอใจก็พูดขึ้นเป็นลมปากกันหนึ่งขึ้นมาใครไม่พอใจก็เป็นลมปากกันขึ้นมาถือประมาณได้ยังไง ลมปากลมมังคีเด็กกันหาตัวถือประมาณได้จะทําเท่านั้นหลว ง, งตา บ, บัวกับม่ได้กุศลธรรมะเหล่านั้นคงกุศลาไม่กุศลามัสร้างผมไม่ได้ไปยุ่งนจะคอยสั่งงานเท่านั้นมันอยู่กติไว้คนไปยุ่งผมนะงานต้นทิ้งตองก็ดีงานอุปโบสถก็ดีผมไปอยู่แบบผมมันแล้วจนระทังถึงเวลาแล้วก็ลงมาเลยมีแต่คอยสั่ง เขาอะไรเขาก็ไปปรึกษาก็บอกแล้วครับมีอะไรให้ไปปรึกษาเราก็มีแต่คอยแนะนำคอยแนะเขาก็ปฏิบตัติตามนั่นตามนั้นอย่าให้เคลื่อนนะเราบอกนี้ด้วยนะเราก็ปฏิบัติเรียบร้อยไม่มีเคลื่อนการตามที่เราสั่งทุกอย่างทุกอย่างใครจะว่าอะไรก็ตามใครอย่าความเป็นต้องใครก็ตามให้มาเราเสนะีอนเราบอกเดี๋าทางตรงนั้นก็จะมีแต่วงแต่เ ว, วงอะไรอ่นผมกบอกชี้แจงเหตุผลให้ทราบเลย ไมให้มีเขาก็ยอมรับก็ไม่มีเพราะมันเป็นเพิงหลวงเขาต้องมีกรรมกัน แ, แล้วเราอธิบายเหตุผลของเราให้เขาฟังเขาก็ยอมรับาลงานนี้เป็นงานกรรมฐานยังเป็นกติตัวอย่างเกี่ยวกับกรรมฐานด้วยทําเพื่ออย่างนั้นดูดีไหมครับ แต่พวกเราเองเราไม่ได้มาทำเพื่อแต้ววงเนี่นะเราจะว่างกันตอนนี้เราไม่พูดเราก็ชีช้แจงอนะไรที่เหมาะสมมาไปเสียเขาก็ยอมรับตอนนี้จะไม่มีแต้ววงอะไรทั้งๆเขาก็อยมีผมไม่เห็นมีแต่นั่นก็ดูไม่เห็นมีก็มีอยู่นองๆที่ม่หลวงเสด็จ ม, มีแต่ในเบนที่ว่าจะให้มีไม่ไม่ไม่มีก็เลยดูเบนมีสักห น, นึ่ง อาจจะยึดเรื่องของเรานีเป็นเอก็ได้เขาก็ชี้แจงให้ทราบเรื่องของหลวงต้องทําอย่างนั้นอย่างนั้นบอกสำนักวัดระวังเราถึงจะชี้แจงเขาราบเป็นการแก้กันไปเขาก็เห็นด้วยอันนี้โรงงานอันนี้ก็ก็ไม่เห็นมีสแสดงว่าะยึดมาจาก น, น, นั่นมาเพราะทาบว่ า, า, าน เ, นเป็นงานกรรมฐานนี่เป็นข้ติตัวอย่างแจกในวงแจกองกรรมาฐานนะผบอกกันเรื่องของโลกของมฐานก็ได้ทากันมาแล้ว นี่ทางเรื่องของธรรมเรื่องของกรรมฐานเอาทางน่้นก็นให้ดูบ้างระว่างนี้แหละง่ายสบายจะตายไปเลยคือเรื่องของธรรมไม่ยุ่งหรือวุ่นวายจัดนั้นจัดนี้รับแขกรับคนอ้ยคนต้องแผ่นดินอยนู่ไปสว้เลย การจับการจ่ายยุ i, ่งไปหมดไม่ว่าอื่นว่าท้องว่าเข้าว่าของขนกันมาหรือคือคือคนมากินกันดีเถอะเกิดประโยชน์อะไรมั่เมาลมกันสี้เลยมีไรถ้าเป็ก็ลาสบายเราก็พูดแล้วพูดาตามความจริงเลย แลังตายยังยุ่งนะกุศลธรรมมาอย่างรมันอาวางนั่นเลยใครจะบ้าก็ทำเราไว้เดห๋ยวหวงเอากุศลธกรมนอเราหวังกุศลธรรมตรงนี้ตรงทิศครูพี่ย้าสอนเอาตรงนี้ให้มันได้กุศลธรรมตรงนี้กิเลสมันพังเกุศลานี้อันนั้นไม่พังกิเลสพังอะไรกุศลธรรมากุศลธรรมาล่ะกิเลสตัวไหนพังวะถ้ากุศลธรรมมาเขาตรงนี้แล้วพัง นี่ผู้ทีเจ้าท่านไม่ใช่เป็นคนโง่สอนสุบสี่สุบ้าอะไรทั้งนี้กุศลารรมมาแต่ก่อนก็ไม่มีแกิดยึดเอาแบบเบวดที่พระเจ้าสอนตอนเปิดปวดพมานนานั่นแหละเอามายึดกันเนี่ย ก, กุศลธารมเวลาคนตาเราจวดไปทำอะไรกุศลธรรมาเลยเหมือนยอย่างเปิดปวดพมันนานั่นนะแต่ก่าไม่มีนะมีอะไรนี่มาทําได้จนเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นมา นี่เมืม่อไม่ทำํำน้่เหมือนกับว่าขวางโลกไปนี่เราไม่ทําไมข่ขวางโล ก, กขวางเถอะขอจะให้ขวางทำนั่นเราตรงนั้นเลยอันไหนไม่ขวางทำเราทําท่านั้นใครจะว่าขวางโลกเราไม่สนใจเพราะไม่ทําโรคให้เสียหายนี่นะถ้าว่าอันไหนจะทําโรคเสียหายเราก็ไม่ทำอันนั้นก็ขวางทำอีกเหมือนกันพเพราะทํำละเอียดกว่าโลกนี่ถ้าลงโรคได้กระเทือนนั่นไม่ใช่ทำนี่อันนี้ไม่ได้กระเทือน อุชลาธมาเจ้าของมันเห็นเด็ดขาดภายในกิจสิอือยเชื้อพวกเชื้อชาติมันพาเกิดแก่เจ็บตายมาเท่าไรเท่าไรคิเลศมันหลอกเท่าไหร่ตายแล้วศูนตายแล้วศูนย์ย ว, นยว่ะธรรมาตาอ ย, ยังมี้คิดอยู่คนไม่ทําจะทําบุญนําทานประกอบคาณงามความดีมันก็จะขาดบริษัทบริวารทั้งมันไปตายแล้วศูนยตายแล้วศูนย์ยนยอยากทําอะไรก็ทำํำมิได้เรื่องที่ลศทั้งน้นให้ ท, ทําที่นี่นั คนพิ่ัติตายแล้วศูนย์ก็คือคนหมดหวังอยากทําอะไรก็ทํานัเวลามีชีวิตยอยูน่นี่ตายแล้วนันก็ศูนย์ไปแล้วเอาแล้วทุ่มลงไปทุ่มลงไปร้อยทัาร้อยมันทุ่มแต่ใสยกิเลสทั้งนั้นแหะเพือเพ่อกิเลสเพื่อกิเลสเวลาตายแล้วไปที่วิบากกรรมที่ทําเพราะมันศูนย์มันไม่ศูนย์แล้วที่ที่หนีนานระแบกแล้วหามแหละตายอพิสูจน์ตรงนั้นที่บุรุายสอนนั่พิสูจน์ใครได้นาํามาพูดนี่มีใครสามารถมาพูด ตายแล้วเกิดเกิดภพนั้นพวพนี้ใครเอานำมาพูดมันจะศาสดราอุงเดชทรงพิสูจน์เห็นหมดแล้วนที่เอานํามาพูดลับผิดตรงไหนหนัปฏิบัติเราไม่ต้องให้มันทราบกว้างขวา ง, วางมากมายไปตามตัวเอาทราบเรื่องอะไรพาให้เกิดจนกระทั่งถึงว่าหมดแล้วที่นี่เชื่อพายให้เกิดไม่เกิดต่อไปแล้วไม่เกิดต่อไปมันศูนญหม่ให้มันรู้มันหมดขนาดนี้สิมันศูญบริสุทธิ์ได้ยังไงนั่น อะไรบริสุทธิ์ถ้ามันสูญแล้วมันขาดเป็นไงพบชาติอะไรพาให้ไปเกิดมีมากมีน้อยมันด้วยเยื่อเป็นไปนหมดระโยงระยางนั่นเวลามันหนากีเหล็กกิ่งก้านสาขามันแผ่กระจายไปเลยไม่ทราบอะไรเป็นต้นเป็นกิ่งก้านสาขา เ, เป็นนันเดียวกั น, นเวลาแก้เข้ามาแก้เข้ามาตัดนั่นเข้ามาตัดนั้นมามันก็เป็นพักเป็นตอนเข้ามาเป็นตอนเข้ามาวนเข้ามาวนเข้ามา แก่สนหยาบตัดส่วนหยาบขาดแล้วยังส่วนละเอียดตัดเข้ามาตัดเข้ามาด้วยปัญญาปัญญาละเอียดแดมคมเข้าไปเรื่อยเือหมุนเข้าไปวนเข้าไปวนเข้าไปจนมาถึงถึงจุดจุดที่จะสังหารนั่นให้แหลกไม่มีภพชาติต่อไปก็ฟาดันไปนั่นนิวเคลียร์มหาฤทธิ์มหาปัญญาว่าไงนิวเคลียร์ใสโป้อะไรั้งแตกไปตาแล้วอ้าวที่นี่เป็นเกิดไหนอะไรพาให้เกิดรู้แล้วนี่อืมทีนี้อะไรพาให้เกิดอีกมีไหมนั่น ลงถึงขนาดนั้นแล้วสามลูกกระท่านี่มางัดมันก็ไม่ขึ้นความจริงมันได้ฝังกันถึงขนาดนั้นแล้วความจริงถึงความจริงมะขาตัจจะเป้าความจริงทางด้านปัญญาถึงความจริงในหลักธรรมชาตินั้นเป็นทีแล้วหายห่วงทันทีดิแบกร่างนั้นแบกตังนี้แบกไม่อยู่ไม่ถอยในพวกธธชาติ แบกร่างไหนก็มีแต่ล่างกองทุกไฟเต็มตัวไฟเต็มตัวอืสนุกแบกนักเหรือขยันแบกนักเหรือแล้วมันขาดสะ บ, บั้นต่างกันก็มีงแต่ขันอันเดียวเท่านี้เนี่ยจะพาราฮาเวเป็จนจักรพรรดิที่รับผิดชอบนีย่เท่านั้นแต่อุปทานในพาราฮเวเป็นจันรพก็ไม่มีมีตัวความรับผิดชอบมันอยู่อนนอนนพ อ, อ, อถึงการมันมันจะทนอยู่ได้แค่ไหนกับเดียวยาวกันไปมันทนไม่ได้ก็สลัดปั้วเดียวแล้วมันความรับผิดชอบ อาไปสิดินก็ไปดินน้ำเป็นน้ำรวมกันเข า, าเขาไม่มากวนเรานิแต่ลงไปก็ไปของเขาเองเราไปกวนเขาอะไรยุ่งเขาอะไรอืถ้านาโยแล้วเขาไม่กวรกั น, น่เห็นอย่างนั้นที่กุศลธรรมานี่จึงเดียกกุศลธรรมาแท้ตามหลักธรรมปุริเจ้ามึงจะสอนตรงนี้ให้ฉลาดตรงนี้แก้ตรงนี้น มัสอนอกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาจเป็นมันถือรังก็รั้งเลยสิมันเอาขวยงาขวยหอมนี่นะเอออากุศลธรรมมาสัสนุกขวยงาขวยหอมไปสั่สิมันไปหาากุศลธรรมมาหากินหวานกินข้าวไป มันไม่พุธลาธรรมาเพื่อฆ่ากิเลสเมื่อมันหนักเข้าหนักเข้าคนตายที่ไหนอาหารว่างเกิดแล้วลยที่ว่าไงไปอาหารกุธลาธรรมากินโน่นมันหนักประทังนั้นแล้วนี่มันไม่ได้หนักในธรรมก็ต้องหนักไปทังนั้นมันมีสองอย่างทังนั้นจิตไม่คว้าหนึ่งก็ต้องคว้าหนึ่งเมื่อไม่คว้าธรรมก็คว้ามูอคว้าพูดประทังนั้นไง มันถึงที่ของตัวเองแล้วกุศลเวลามีปัญหาอะไรไปสอนตรงนี้สดแท้เป็นงมตทำไมเงาจับตัวจริงมันได้กับตัวนี้มันถูกเงาเองเพราะเงาไปจับตัวนี่พูกพวกบ้านทังกับ มดติดมดเด็ดมดภูมิทุกอย่างเราพูดมาดีถ้าจะปฏิบาัายอะไรก็ปฏิบัติรางกิเลสมันออกคานหา ม, มาสอนกันนะทั้งทั้งตีว่าเวลาฟังนี่อหะคานหามกิเลสมันมาสอนกันมันหามาลงมูด ล, ลงพุ่ น, นกยเลไม่ได้ฟังทำกับเรานะ อ, อย่าเขาจะยิ่งฟังทำกัเรานะมันยัง หั่นหัวหอมกระเทียมกระทึกยงกิเลสตั้งๆที่เนั่งฟังเทศอย่างนี้เราจะไม่รู้เลยว่ากิเลสมันหั่นหัวหอมกระเทียมอืมทำใหเก็บ้งปวดนุ่งบ้างปวดนี่บ้างเหนื่อยม้างอะไรบ้างนั่นนั่นแหกิเลสมันหั่นหัวหอมกระเทียมอืมถ้าเชือกเดียวก็ลบตูมให้มันตอนนั้นแหละอืมมันก็กันนําแล้วแหลกจนมันกินอิกแล้วมันหนีไปไหนล่ะถึงเ้อเบอเพ้อเ่อขึ้นมาโอ้หวันนี้นอนตื่นสายเว้ยว่า กินกินเลยกินอิ่แล้วไปหมดแล้วมันเหลือแต่ซากริงไว้ ข, อขอ้อคราะเอาล่ะอปูมันอ่านอยู่พื้นที่เลี้ยงฉลว